การฟังธรรมเนี่ยถือว่าเป็นประโยชน์เราจะได้แนวคิดจากการฟังแนวคิดที่เราได้รับฟังจากธรรมะนี่แหละก็จะได้เป็นแนวทางของการนําออกไปปฏิบัติเอาไปแก้ปัญหาชีวิตไปทําชีวิตที่มันมีความทุกข์เปลี่ยนให้เป็นสุขได้การฟังธรรมสรุปแล้วก็คือฟังธรรมธรรมะ มีไว้ทำใจทำใจไม่ให้ทุกข์เพราะว่าชีวิตเราเนี่ยบางสถานการณ์นะเราต้องไปเชิญหน้ากับความทุกข์เชิญหน้ากับปัญหาบางทีสถานการณ์นั้นเนี่ยเราทำอะไรไม่ได้เลยแต่ว่าเราทำใจได้ทำใจไม่ให้ทุกข์ได้และทำได้ก่อนที่จะแก้ปัญหาข้างนอกด้ซ้ำไปเราทำใจไม่ให้ทุกข์ได้แล้วก็ บางทีปัญหาทั้งหลายไม่ต้องแก้ไขอะไรก็ได้นะมันจบอยู่ที่ทําใจไม่ให้ทุกเนี่ยเพราะว่าเหตุการ์บางอย่างเนี่ยเราต้องรอเวลาในช่วงการรอเวลาเนี่ยเราก็มีความทุ ก, กข์คลุกคลาไปกับเหตุการ์เหล่านั้นเพราะเรายังไม่ได้กลับมาทําใจเราพี่นาการเหนื่อยเราทำงานไม่นีเหนื่อยเราต้องรอเวลาให้มันหายเหนื่อยก่อนให้ร่างกายมันหายเหนื่อย ในช่วงที่กําลังเหนื่อยเนี่ยถ้าทําใจไม่ใทุกได้เนี่ยโอ้ใจมันหายเหนื่อยแล้วมันถูกแก้ไขแล้วแต่ความเหนื่อยค่อยๆคลายลงไปต้องรอเวลากอย่างเมื่อกี้เนี่ยโอ้ขึ้นมาเนี่ร่างกายมันก็เหนื่อยนะเพื่ะแต่เราทําใจไม่ให้ทุกได้เนี่ยเดี๋ยวร่างกายก็ค่อยๆผ่อนคลายมันก็หายไปเองเราได้ข่าวจากใครบางคนว่าโอ้ญาติของเราคนที่เรารัก เขาเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลเราอยู่ที่บ้านอยู่ในที่ทำงานเรายังไปเยี่ยมเขาไม่ได้ไปหาเขาไม่ได้ถ้าเราไม่รู้จักทำใจได้เนี่ยเราก็จะเป็นทุกข์เขาจะเป็นยังไงเนาะ <c oughs> ก็เป็นห่วงเป็นใหญ่หต้องรอเวลาไปหาไปเยี่ยมไปดูแต่ถ้าเราทำใจว่าไม่เป็นไรแล้วอย่างน้อยเราไปเนี่ยเขาก็ไม่ได้หายเพราะเราไปแล้วเขาถึงมือหมอแล้วก็ใช้ได้แล้วโอ้ทาใจไม่ต้องไปทุกข์เลยมีหลายอย่าง เราสามารถทำใจได้ก่อนก่อนที่จะไปทำสิ่งภายนอกภัยพิบัติก็เช่นเดียวกันนะไฟไหม้นาำท่วมแผ่นดินไหวโจรป้นสารพัดอย่างเมื่อเราทำใจได้เนี่ยมองเห็นสิ่งเหล่านั้นคือธรรมชาติธรรมดาไม่เป็นอะไรไม่แปลกไฟไหม้ก็เป็นของไม่แปลกน้ำท่วมก็ไม่แปลกโจรป้นก็ไม่แปลกเพราะมีอยู่บ่อยๆของแปลกก็นา น, านมีที แต่ไม่แฟกสำหรับเราก็ทำใจไม่ทุกได้แล้วค่อยแก้ปัญหาฝ่ายนอกเซลเนี้ยเป็นข้อมูลมาจากธรรมะทั้งนั้นเลยธรรมะจึงมีไว้ทำใจบางทีเราทำใจได้เนี่ยมันกลับเป็นมีความสุขก็ได้นะยิ้มหัวเลาะเยะเออไอ้ความเส่อของเราหัวละเยะตัวเองสบายเลยเพราะนั้นการฟังธรรมการปฏิบัติธรรมทั้เป็นสิ่งที่จาเป็นสาหรับชีวิต มันอาจจะลำบากซะหน่อยก็ไม่เป็นไรหรอกมันเหมือนการใช้ชีวิตของเราอะชีวิตที่ลำบากชีวิตที่มีอุปสรรคนั่นคือชีวิตที่แข็งแกร่งหลายคนขอบคุณความลำบากขอบคุณอุปสรรคทำให้เราเกิดปัญญาได้รู้จักตัวเราเองการเดินชีวิตที่ลำบากอย่าท้อแท้นั่นแหละทำให้ชีวิตเราแข็งแกร่งได้รู้จักตัวเราเองรู้จักจิตใจของเรา เหมือนการปฏิบัตนะิธรรมการปฏิบัติธรรมที่ลําบากนั่นแหละนํามาสร่งความหลุดพ้นไม่มีใครปฏิบัติธรรมแล้วสบายๆนอนหลับก็บรรลุธ ท, ทำได้ <c oughs> มันต้องผ่านความลําบากผ่านทุกข์ผ่านอุปสรรคต่างๆความง่วงความท้อแท้ความขี้เกียจมันต้องผ่านอารมณ์เ่านี้ต้องผ่านทุกข์ความทุกข์มีไว้เพื่อให้เราได้ศึกษาได้เราเรียนรู้ ความทุกข์ไม่ได้มีไว้ให้เราเข้าไปเป็นให้เราได้เรียนรู้เพราะนั้นเราต้องศึกษาทุกขเรียนรู้ทุกข์เพื่อความไม่มีทุกข์อันนี้เป็นปฏิปทาของพระอริยเจ้าทั้งหลายเพราะฉะนั้นอย่าท้อเรื่องการปฏิบัติธรรมโดยเฉพาะเรื่องการเจริญสติเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญมากต้องทําก่อนการเจริญสติเนี่ยสำคัญเป็นสิ่งที่ต้องพิจนารณาและต้องทําก่อนจึงต้องพูดเรื่องสติมากๆ เราควรจะศึกษาเรื่องสติพูดคุยเรื่องสติแม้แต่ว่าการพูดสติมักจะขาดสติแต่ก็ยังดีกว่าไปพูดเรื่องอื่นฟังเรื่องสติพูดเรื่องสติแล้วก็ปฏิบัติเรื่องสติเพราะสติเนี่ยนำมาซึ่งปัญญาไปสู่ความพ้นทุกข์อย่างน้อยก็ให้สติมันขึ้นสมองไว้ก่อนถ้าสติไม่ขึ้นสมองเนี่ยความคิดมันขึ้นสมองนะสติขึ้นสมองทําให้เกิดปัญญาถ้าความคิดขึ้นสมองก็ไปส่งสีทัญญา มันไปเป็นะทางแต่พูดถึงเรื่องสติขึ้นสมองนี่ไม่ใช่ว่าเราไม่ได้จเจริญเรามื่อแต่คิดคิดคิดคิดเรื่องสติเนี่ยมันก็ขึ้นสมองเหมือนกันมันก็จะเป็นเขาเรียก ว, วิปัสนูปกิเลสถ้าไม่ใช่สติปฐานเป็นสติที่ไม่มีฐานเนี่ยป่ยให้สติขึ้นสมองเนี่ยมีโอกาสเป็นวิปัสนูได้นะวิปัสนูเนี่ยสติกล้าจนเกินไปมันก็หลงไปในความคิดเหมือนกัน มันไม่มีฐานแล้วไปกับความคิดมไม่ได้เห็นจิตเห็นใจที่แท้จริงแต่ถ้าเรามีฐานคือสติประฐานเนี่ยมันจะไม่หลงคือมีฐานกายฐานเวทนาฐานจิตฐานธรรมเป็นที่ตั้งของสติเขาไว้มันก็สติมันก็จะเผยแล้วก็ไม่มีสติละไปหลงอารมณ์นั้นจึงอยากจะมาพูดเรื่องการเจริญสติเนี่ยถือวเป็นหลักสาคัญเพราะว่าวิธีการปฏิบัติหรือแนวทางการปฏิบัติ เราจะสังเกตว่าหลักใหญ่ๆเนี่ยก็ต้องมีคำว่าสติอยู่ในการปฏิบัติทางนั้นเลยอย่างเช่นอนุสติใช่ไหมการปฏิบัติอนุสติกายะตาสติเนี่ยบางคนคิดล่วงหน้าคิดไปเลยนะว่ามีอะไรบางเกี่ยวกับสติในทางธมอานาปานาสติสติปฐานสี่สติอินสีสติพระละสติโพชฌง มันเยอะคำว่าสติสติเนี่ยในหลักการปฏิบัติเนี่ยทิ้งไม่ได้เลยแม้แต่ก่อนที่พระพุทธเจ้าจะเสด็จดับกันท่าพนิธานท่านยังเตือนสาวกว่าไม่ควรประมาทไม่ควรประมาก็คือการดำเนินชีวิตอย่างมีสติพระย้อนกลับมาดูตัวเราเนี่ยต้องให้เราตื่นนอนมาตอนเช้าก็ทั้งหลับไปในตอนเย็นตอนค่ำตอนมืดเราต้องใช้สติทั้งนั้นะ ถ้าได้เกิดจนตายว่างนันเลยถ้ากาดสติเนี่ยมันก็มีแต่ความผิดพลาดผิดพลาดไม่น่าเลยหลงลืมอันนี้เพราะขาดสติมันจะไปต้องใช้สติในการใช้ชีวิตประจำวันแม้กระทั่งการปฏิบัติการปฏิบัติเนี่ยเบื้องต้นต้องเริ่มด้วยสติบางคนบอกเขาทําสมาธิไม่ได้ทําสติแต่ก่อนจะตั้งท่าทําสมาธิเนี่ยสติตั้งไว้แล้วสติเขาเริ่มไปก่อนแล้ว สติมาสมาธิก็ตามมาเริ่มต้นก็ต้องสติในถ้ำกลางก็ต้องมีสติผลสุดท้ายก็ต้องอาศัยสติตั้งนั้นอะเบื้องต้นถ้ำกลางที่สุดก็ต้องมีสติอยู่ในสิ่งเหล่านั้นสำคัญว่าสติจำเป็นต้องใช้ในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อสติแปลว่าความระลึกได้คือความไม่หลงลืมตัวไม่ลืมนื้อลืมตัวว่าเรากาลังนั่ง ว่ากายกำลังเคลื่อนไหวไปทำอะไรหรือจิตใจมันคิดนึกอะไรสติรู้อยู่เนี่ยแค่เนี้ยกายกำลังทำอะไรใจกำลังคิดอะไรเนี่ยคือหน้าที่ของสติถ้าพูดถึงความหมายแล้วก็เราอาจจะสับสนแต่ถึงอาการแล้วก็จะเข้าใจคุณรู้เรื่องของกายเรื่องของใจโดยเฉพาะเรื่องการจเจริญสติแบบเคลื่อนไหวตามแนวหลวงวเทียนเนี่ย ผมว่ามันสมบูรณ์อยู่แล้วในตัวทำแท้หลวงพ่อเทียนจะต้องรู้สึกตัวลงไปที่กายที่ใจรู้สึกกายตื่นกายรู้สึกใจตื่นใจนี่คือคาพูดของหลวงพ่อเทียนเริ่มต้นโดยรู้กายลงท้ายโดยรู้จิตพอทาจนชำนาญแล้วจะรู้ได้ทั้งกายทั้งจิตอะไรเกิดก่อนรู้ก่อนอะไรยังไม่เกิดจะไปคิดรู้มันมันจะคือความคิดมันสมบูรณ์อยู่แล้วในตัว คือรู้ได้ทั้งกายทั้งจิตพชํานาญแล้วเนี่ยอถึงเจริจนตํานานรู้กายโฉนนานแล้วเนี่ ย, จ, จ, นน ย, นนยจะรู้อะไรก็ได้จิตเกิดก่อน อ, อ้าวรู้จิตถ้าจิตยังไม่เกิด อ, อ้าวรู้กายมันมีเรื่องให้รู้ตลอดเวลาไม่ปล่อยให้จิตเลื่อนลอยเนี่ยผู้ที่ปรึกใหม่ๆเนี่ยผู้ที่เริ่มปฏิบัติใหม่ๆพระอาจารย์โกสินท่า น, นก็เล่า ว, ว่าก็มีผู้ที่สนใจมาปฏิบัติอาศัยสถานที่นี้ปฏิบัติ แม้แต่จะเป็นช่วงระยะเวลาเพียงครึ่งวันก็ดีกว่าที่เราเสียเวลาไปครึ่งวันดีกว่านะก็อาศัยรูปแบบการจารติบแบบเคลื่อนไหวอาศัยรูปแบบผู้ใหม่ๆก็ต้องอาศัยมีที่เกาะมีกายเป็นเครื่องอยู่ชื่อว่าเครื่องอยู่นะแต่ว่าอย่าไปอยู่ในกายเราเอาสภาวะที่เป็นเครื่องรู้ถ้าไปอยู่ในกายนี่ กายมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเป็นเครื่องรู้มันจะแกะ่จะเจ็บจะตายก็เรื่องของกายแต่ว่าเราไม่้ที่รู้สบายเลยไม่เข้าไปจมอยู่กับกายกายมีกายเป็นเครื่องรู้เป็นเครื่องอยู่เนี่ย้ำไม่เราปลอดภัยเพื่องน้อยเราจะทําได้ต่อนเนื่องทําได้นานนะแล้วก็เวลาเราหลงเราเผลอไปกับความคิดเรามีที่กลับ มีที่กลับมารู้กายมาเป็นฐานไว้บางคนปฏิบัติแล้วมันหลงไปแล้วรู้ว่าหลงแต่ตั้งต้นไม่ได้ก็หลงต่อไปอแต่ถ้ามีกายเป็นเครื่องอยู่แล้วก็มันมีที่ตั้งต้นมีที่กลับกลับบ้านถูกว่างั้นเนอะไม่ใช่สามบ้านค่าก็ยังดีกว่ายังกลับบ้านถูกเพราะนั้นการที่เราอาศัยอาการของกายเป็นเครื่องอยู่นี่แหละมันได้หลักกายที่เคลื่อนไหวเนี่ยมันทาให้จิตใจเราเนี่ย ไม่ไปหมกมุ่นกับความคิดถ้าเราไปหมกมุ่นกับความคิดแสดงว่าจิตเราไม่มีเครื่องอยู่แล้วหมกมุนไปกับความคิดอันที่จริงแล้วก็มันเหมาะนะการมีสติรู้กายเนี่ยมันเหมาะสำหรับคนที่ติดอารมณ์ติดความคิดชอบคิดจิดใจฟุ้งซ่านก็คือไปกับความคิดเรื่อยๆคนที่หลงไปก็หลงนานหรือเป็นคนที่ไม่ตื่นง่วงอาหอานอน จิตไม่มีกำลังอาการเคลื่อนไหวของกายเนี่ยที่มันไม่อยู่นิ่งเนี่ยมันช่วยกระตุ้นกระตุ้นให้จิตเนี่ยมันตื่นรู้การที่กายไม่นิ่งเนี่ยทำให้จิตมันตื่นรู้ได้ง่ายๆและจิตมันก็มีเครื่องอยู่มันถึงจะหลงไปก็หลงไม่นานก็กลับมาได้แต่ก็ไม่ได้ห้ามความคิดไม่ได้ห้ามความคิดปล่อยให้จิตมันคิดอิสระจิตก็คิดไปเราก็มีที่รู้กายไปก่อน ถ้าเราไปห้ามความคิดไม่อยากให้มันคิดเลยจะตกเป็นธาตของตันหาคือความไม่อยากเห็นไหมความไม่อยากให้คิดเนี่ยมันเป็นตันหาแล้วตกเป็นธาตตันหาเลยก็ปล่อยให้มันคิดไปหน้าที่ของนักปฏิบัติคือเจริญสติรู้กายไปเรื่อยให้มันแน่นให้มันชัดเจนให้มันชํานาญพอรู้กายประนานสติมันจะนําหน้าความคิดเลยนะแต่ก่อนตามหลังความคิดเออมันฟุ้งซ่านไปตั้งนานเราต้องเรียนรู้ แต่พอเรารู้กายปรนนานเนี่ยสติมันตื่นติดมันตื่นขึ้นเนี่ยมันจะนำหน้าความคิดมันจะเห็นความคิดวิ่งตามหลังสติมันนำหน้าความคิดแล้วถ้านำหน้าความคิดแล้วก็บางทีความคิดมันไม่ติดฝุ่นนะมันตามไม่ติดฝุ่นก็ไม่ติดสติสตินำหน้าแม้แต่สติมันก็ไม่เที่ยงมันก็มีโอกาสที่จะหายไปได้พอสติหายปั๊บความคิดเข้าแทรกพอความคิดเข้าแทรกสติก็ตามทันเลย ตามทันทันควันก็ <c oughs> ตัดความคิดลงไปได้ต่อหน้าต่อตาใช่ไหมมันก็เล่นอยู่อย่างงี้แหละมีกายมีสติมีจิตมีความคิดก็บนเวียนอยู่อย่างงี้แหละในโลกเนี้ก <c oughs> ็มีหน้าที่คือจเจริญไปมากรู้สึกกายเคลื่อนไหวไปเรื่อยๆนี่เราก็จะเห็นความคิดเห็นความคิดตัวเนี้ยตอนเห็นตอนที่สติมันตื่นแล้วเนี่ยพอเห็นความคิดเนี่ยมันก็สบายแล้วไม่ต้องต่อสู้แค่รู้แค่ดูแค่เห็นนั่นก็จบ ความคิดมันก็จะขาดสะบั้นไปเลยมันเกิดการสปาร์กมันไฟช็อตไปความคิดมันขาดไปเลยถ้ามันตื่นนะนั่นการฝึกเนี่ยคนที่เริ่มต้นหมายก็เริ่มสนใจเรื่องของกายต่อไปมันก็จะไปเห็นจิตเห็นความคิดต่อไปก็ชนานาญแล้วไม่ต้องไปดูอะไรแล้วมันเกิดขึ้นเองสติมันเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติด้วยความเกิดจินมันเกิดเองเกิดเองต่อไปก็ไม่ต้องไปทาไม่ต้องไปเจตนาเขาก็ชนานาญเขาเอง นี่การที่เราปฏิบัติเนี่ยบางทีเราปฏิบัติแล้วเราเกิดความเครียดมีไหมที่ไปปฏิบัติในรูปแบบเกิดความเครียดอึดอัดแน่นหน้าอกมันหนักหนักตื้อปวดศีรษะมึนศีรษะบางคนต้องกับคลื่นไส้อาจเจียนมันมีความทุกข์ไม่สบายแล้อันนี้เกิดจากว่าเราเข้าในมากเกินไปมันเข้าในมากเกินไปมันตั้งใจมากคือต้องการผลนะ่ะอยากได้ผลก็คือตัณหา พออยากได้ผลเ่ะเกิดการเพ่งจะเอาให้ได้จะรวยได้มันก็มีผลทําให้ร่างกายแล้วมันคอยเครียดพอยเป็นทุกข์ไปด้วยอันนี้ก็ไม่ใช่เป็นการปฏิบัติที่ถูกต้องแต่ก็ไม่เป็นไรนะมันเป็นธรรมดาของเรานะเราทํางานแล้วก็ตามเนี่ยมันต้องตั้งใจต้องเพ่งต้องมีสมาธิมันเป็นธรรมดามันเป็นนิสัยของเราเนี่ยเพราะการงานทางโลกเนี่มันจะต้องทําให้ไวทําให้มากทําให้ดี ไอ้ต้องทําให้ทําให้เนี่ยจิตมันก็ต้องเครียดธรรมดาใช่ไหมทางโลกก็ต้องอย่างนี้แหละแต่ทางธรรมเนี่ยไม่ต้องดีไม่ต้องมากไม่ต้องไวเอาความไม่ทุกข์ไว้ก่อนถ้าไม่ทุกข์ก็ถูกทางธรรมถึงจะทําได้ดีแค่ไหนมากแค่ไหนไวแค่ไหนถ้ายังเป็นทุกข์อยู่เนี่ยมันก็ยังไม่ถูกทำมันก็ถูกกับโลกเพราะฉะนั้นถ้าเราปฏิบัติไปมันเคร่งมันเครียดมันเพ่งมไม่เป็นไรนะแล้วก็รู้มันอ๋อนี่มันเกิดอะไรขึ้น มันเพ่งแล้วก็รู้มันตั้งใจก็รู้มันมีปัญหาเราก็รู้แค่รู้เนี่ยเป็นการแก้ปัญหาใจไม่ให้ทุกข์ได้อันนี้เป็นการปฏิบัติในรูปแบบแต่ถ้าคนที่ใช้ชีวิตประจำวันเนี่ยกับการเจริญสติเนี่ยบางทีมันเคร่งเครียดมันก็ไม่เป็นไรเปลี่ยนระดับสายตาซะบ้างการเพ่งมองจุดใดจุดหนึ่งเนี่ยสายตามันเครียดเครียดไปถึงจิตถึงใจเลยเปลี่ยนระดับสายตาซะ เปลี่ยนมองไกลๆมองรอบๆตัวแค่นี้มันก็เป็นการผ่อนคลายสลายพฤติกรรมของจิตที่มันเพ่งที่มันเครียดมองไกลๆส่งความรู้สึกออกไปข้างนอกส่งความรู้สึกออกไปรอบๆโยนออกไปซะทําอะไรมันก็ผ่อนคลายได้คนที่ไปไหนไม่ได้นะแต่ถ้าคนลุกได้ก็เอ้าเปลี่ยนยาบทเนาไปเปิดหน้าต่างไปจัดเข้าจัดของทําอะไรก็ได้ละลายพฤติกรรมของจิตที่มันเครียดมันเพ่งถ้ามันก็หาย อันนี้เป็นการวิธีการแก้ไขแบบธรรมชาติเลยไม่ต้องไปทำอะไรให้เรารู้ก็แล้วกันมาเกิดอะไรขึ้นกับเราเมื่อเราแก้ไขปัญหาโดยการที่รู้ทันว่ามาเกิดอะไรขึ้นกับเราเนี่ยจิตมันก็จะผ่อนคลายถ้าจะรู้ก็รู้แบบห่างๆแบบกว้างๆให้รู้แบบแสงไฟเนี่ยรู้รอบๆ อ, อย่าไปรู้แบบแสงไฟฉายจุดใดจุดหนึ่งรู้แบบแสงนีออนสติ state, คือ สิ่งที่เกิดรอบๆอบตัวเราสติเป็นหน้ารอบรอบตัวเราก็คือสติถ้าเพ่งจุดใดจุดหนึ่งเนี่ยมันก็คือสมาธิรู้กว้างรู้เบาๆห่างแบบผ่อนคลายจิตมันก็จะผ่อนคลายไม่เครียดละเมื่อจิตผ่อนคลายมันก็จะเป็นกลางนะจิตที่ผ่อนคลาย้าไม่จิตมันเป็นกลางถ้าจิตเป็นกลางเป็นกลางระหว่างที่เราไม่เพ่งเข้าไปสู่ข้างในเกินไป หรือไม่ปล่อยใจมันหลงอยู่ในถ้ำกลางระหว่างการเข้าในกับออกนอกหลวงพเถียนต้องบอกว่ายืนอยู่ปากถ้ำเห็นนั้งในถ้ำแล้วก็เห็นนั้งนอกถ้ำอันนี้มันเป็นความเป็นกลางจิตก็จะเป็นปกติไม่ยินดีไม่ยินร้ายคือความเป็นกลางอย่าไปทําให้มันเป็นกลางไม่เป็นหรอกแต่ให้รู้ห่างรู้สบายสบายแบบผ่อนคลายมันก็เป็นกลางไปเองเมื่อจิตเป็นกลางมันก็จะเกิดปัญญา เกิดปัญญารู้กายรู้ใจตามที่มันเป็นนี่ก้าวไปถึงตัวปัญญาเ่ยนะรับตันจากการจริตสติแบบธรรมดาเงี้ยมันก็จะเกิดปัญญาคือรู้กายรู้ใจตามที่มันเป็นเห็นกายที่มันเคลื่อนไหวมันเป็นรูปที่มันเคลื่อนไหวไอ้ที่เคลื่อนไหวเนี่ยมันคือรูปมันไม่ใช่เราเราไปยึดติดว่าเป็นเราเคลื่อนไหว ที่จริงเนี่ยถ้าเรารู้สึกดูอยู่เนี่ยจะเห็นว่าไอ้ที่เคลื่อนไหวเนี่ยคือรูปส่วนของกายเนี่ยเรียกว่ารูปแค่นั้นแหะศักแต่ว่ารูปเท่านั้นหนอจะรูปอ้วนรูปผอมรูปสวยรูปไม่สวยหล่อไม่หล่อมันไม่ใช่นีมันสมมุติรูปไม่มีสวยไม่มีไม่สวยละไอ้คำว่าสวยหรือไม่สวยหล่อหรือไม่หล่อเนี่ยเปนเรื่องสมมุติมันไม่ใช่รูปมันเป็นความคิดปรุงแต่งรูปที่ป่วยไข้รูปที่พิการไม่ใช่ มันก็คือรูปสบายเลยไม่ใช่เรารูปไม่ใช่เราไม่ใช่เราป่วยเราไข้หรือเราสวยเราไม่สวยสวยไม่สวยนั่นคือสมมุติกระทั่งรูปต้องตายมันก็ไม่ใช่เราตายรูปมันแตกทำลายไปตามสภาวะมันเป็นอนิจจังทุกขังขณตาแตกทำลายไปมันไม่ใช่เราเป็นอย่างนั้นนั่นคือสัจธรรมมันจะละสักกายะทิฐิเลยนะ รูปสักแาว่ารูปไม่เห็นว่าเป็นเราแล้วจิตก็เหมือนกันจิตก็ดีความคิดก็ดีมันก็คือนามนามมันคิดไม่ใช่เราคิดนามมันคิดคิดกุศลอกุศลนันเรื่องของนามไปไม่ใช่เราคิดนามมันคิดก็ถอนความยึดติดว่าไอ้จิตนี่เป็นเราได้อ๋อนี่ความคิดนี่เป็นนามเนาะไม่ใช่เราคิดและเวลามันคิดนี่มันก็เปลี่ยนแปลงนะเดี๋ยวมันก็คิดดีเดี๋ยวมันก็คิดไม่ดี เดี๋ยวมันก็ไม่คิดไม่เดี๋ยวมันก็ลืมเดี๋ยวมันก็หลงโอ้นี่เป็นเรื่องของนามไม่ใช่เรื่องของเราหลงไม่ใช่เรื่องเราคิดโอ้นา ม, มันหลงนามไม่ใช่ เ, เรื่องของมันส่งคืนธรรมชาติของลูกของนามไม่ใช่เราทางนั้นเลยอันนี้คือเห็นตามที่มันเป็นกายจิตสัตวว่ากายสัตว์ว่าจิตไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาอันนี้คือการรู้ชัดรู้ชัดนี่ไม่ใช่มองง่ายชัดชัด รู้ชัดคือรู้ตามที่มันเป็นว่ามันโอ้มันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันไม่ใช่ตัวพิจิตร์ตนมันจักแต่ว่าสักแต่ว่ามันไม่ใช่เราหรอกนี่คือรู้ชัดรู้ชัดคือรู้ตามที่มันเป็นไม่ใช่อยากให้มันเป็นถ้าอยากให้มันเป็นแล้วก็โอ้กายนี่มันต้องสวยต้องดีต้องไม่แก่มันต้องไม่ป่วยเมื่อป่วยแล้วมันต้องรีบหายมันต้องบังคับบัญชาได้บอกได้เชื่อฟังเนี่ยคืออยากให้มันเป็นตามใจเรา เห็นจิตอยากให้มันเป็นคืออยากให้มันไม่คิดอะไรเลยอยากให้มันสงบเวลาคิดดีๆอยากให้มันอยู่นานๆเวลาคิดไม่ดีอยากให้มันดับไปอยากให้จิตมันรู้ต่อเนื่องไม่หลงเลยหลงไม่ได้เราอยากให้มันเป็นมันก็เป็นตันหาอันนี้เราไม่รู้ชัดถ้ารู้ชัดคือรู้ตามที่มันเป็นไม่ใช่อยากให้มันเป็นถ้ารู้ตามที่มันเป็นเนี่ยมันเกิดปัญญา ถ้ารู้อยากให้มันเป็นแล้วมันเป็นตันหามันไปคนละขั้วเลยปัญญาก็พาไปพ้นทุก์ตันหาก็พาไปหาทุก์ตันหาตาหันก็ไม่เป็นไรนะถ้าอยากให้มันเป็นแล้วก็รู้อ๋อนี่มันเกิดตันหาเน้อก็รู้ซ้อนไปได้เลยพอเราเจริญสติปัญนาเนี่ยรู้กายรู้ใจปัญนาเนี่ยมันเกิดความฉลาดเกิดปัญญาฉลาดในความคิดฉลาดในอารมณ์ตัวเราเอง ไม่ตกเป็นท่าของความคิดไม่ตกเป็นท่าของอารมณ์มันเริ่มเป็นอิสระเริ่มรู้จักควบคุมจิตควบคุมใจเราได้บ้างระดับหนึ่งควบคุมได้ระดับหนึ่งรู้จักหยุดคิดในสิ่งที่ทำให้จิตเป็นทุกข์หยุดได้ไหมเวลาจิตมันคิดกังวลหรืออนาคตโอ้เราจะเป็นยังไงเนาะชีวิตเราโลกของเรามันจะเป็นยังไงเนาะกังวลถึงอนาคตนอนไม่หลับหยุดไม่ได้หยุดไม่ได้ มันคิดได้นะคิดถึงอนาคตได้วางแผนได้แต่รู้จักหยุดได้ได้วยสติเราสามารถที่จะไม่กังวลก็ได้กับเรื่องที่เราคิดแต่ถ้ามันกังวลเราไม่เชื่อมันก็ได้อนนี้มันสามารถควบคุมจิตได้ระดับหนึ่งเพราะนั้นคืออนาคตแต่ไม่ร้ายเท่ากับอดีตเวลาจิตมันคิดถึงเรื่องอดีตตั้งแต่เมื่อกี้เนี่ยหรือเมื่อกังวันเนี้ยเมื่อเช้าเนี่ยเมื่อวานเนี่ยคือสิ่งที่มันผ่านไปแล้ว เราก็ย่อมคิดได้คนมีสติก็จะรู้อ๋อนี่มันคืออาการของจิตเนาะเรื่องความคิดก็คิดได้แต่ก็ปล่อยวางได้แต่คนที่ขาดสติเนี่ยโอ้มันคิดแล้วไม่เลิกคิดถึงอดีตแล้วมันเจ็บอกเจ็บใจน้อยอกน้อยใจเรื่องที่ผ่านมาแล้วก็ับเอามาปรุงคิดให้มันเป็นทุกข์ทุกในปัจจุบันไม่เพียงพอเอาทุกอดีตทุกอนาคตมาถมทับให้มันหนักขึ้นอีกโอ้ทุกปัจจุบันก็มากพออยู่แล้วไปคิดเรื่องเก่า กินของเก่าเอานัาพิกถ้วยเก่ามากินมันไม่อร่อยแล้วหยุดไม่ได้เรื่องที่ผ่านไปแล้วก็ปล่อยมันผ่านไปใช่ไหมเดี๋ยวนี้เขามีร้านรับซื้อของเก่าอันนี้มันเป็นปริศนาธรรมนะผมว่าของเก่าเก่าเนี่ยมันเหมือนอย่างกับอันนี้จังทุกขังอนัตตาความไม่เที่ยงความเป็นตัวความไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนอันนี้เป็นของเก่านะ ก่อนที่เราจะมาเกิดสิ่งนี้ก็มีอยู่แล้วเป็นของคู่โลกเราเกิดอยู่มันก็มีเราตายไปแล้วเนี่ยโลกนี้ก็ยังอนิจจังทุกขังอนัตตามันเป็นของเก่าๆร้านรับซื้อของเก่านั่นคือให้เราเอาของเก่าๆท่งคืนพยะคืออนิจจังทุกขังอนัตตาซะบ้างเราจะได้ไม่หมกมุ่นกับความคิดในอดีตเคยมีญาติธรรมเล่าให้ฟังว่าวันหนึ่งเขาขับรถ พาภรยาไปทานข้าวขับไปกลางทางเจอร้านรับซื้อของเก่าเลี้ยรถเข้าไปเลยไปจอดหน้าร้านภรยาบอกมาจอดทําไมนี่อะนี่เขารับซื้อของเก่าเธอนี่ก็เก่าเลยนะ <c oughs> มีแต่เรื่องอันนี้จังทุกครังหน้าตาอั่งนั้นเลยโอภรยาเลยสรรเสริญเจริญพรสามีนอนหลับสบายเพราะฉะนั้นเรื่องความคิดต่างๆมันเป็นขยะทิ้งลงถังขยะ ของความที่เป็นอนิจจังทุกขังหน้าตาซะมางเราจะได้ไม่ติดในความคิดไม่ติดในอารมณ์ไม่หมกมุ่นคนที่มีสติฝึกสติบ่อยๆเนี่ยจะสามารถรู้จักหยุดคิดในสิ่งที่ทําให้จิตมันเศร้าหมองคิดหยุดได้ควบคุมได้แล้วก็รู้จักคิดในสิ่งที่ทําให้จิตมันสดใสเบิกบานมันเปลี่ยนความคิดจากร้ายกลับกลายเป็นดีได้ มองโลกในแง่ดีเกิดกำลังใจกระตือรือร้นที่จะทำงานที่จะปฏิบัติธรรมจิตมันก็มีพลังจิตจะมีพลังเนี่ยมันต้องมีกำลังใจกำลังใจมันเพิ่มกำลังจิตพอจิตมีกำลังแล้วเนี่ยไอ้ความคิดต่างๆอารมณ์ต่างนี่มันก็จะหายไปนะสมองจะปลอดโปร่งสดชื่นมองอะไรก็สดชื่นทางานก็สดชื่นชีวิตก็สดชื่น มันก็เกิดความสุขโดยที่ไม่ต้องแสวงหาที่ไหนนะการจดูสติเนี่ยถ้าทําถูกต้องแล้วก็มันเกิดความสุขโดยที่ไม่ต้องแสวงหาความสุขจากสิ่งนอกตัวอยู่ที่ไหนก็มีความสุขได้นอนด้วยสติก็นอนอย่างมีความสุขหลับจะมีความสุขทํางานด้วยสติก็ทํางานอย่างมีความสุขการใช้ชีวิตด้วยสติเนี่ยชีวิตก็มีความสุขจะมองโลกในแง่ดีได้ชีวิตดี เวลาตายก็ตายดีเวลาเกิดก็เกิดดีมันเป็นวิบากดีแนละ้วกันความสุขอยู่ไม่ไกลถ้าใจเรามีสติง่ายนะเนี่ยาการเจอสีที่ง่ายรับรองว่าง่ายง่ายเพราะอะไรเพรสติเนี่ยทำหน้าที่รู้หน้าที่ดูหน้าที่ทําความเข้าใจเป็นผู้สังเกตการไม่ใช่ผู้ทําการ ผู้สังเกตการนี่สบายเลยเป็นเพียงแค่ผู้ดูผู้รู้ถ้าผู้ทําการน์นี่โอโ้โหมันยุ่งยากมากเห็นไหมที่ทําการไปทันีอ๋อเจ้าหน้าที่วุ่นวายมากผู้สังเกตการคือสติเป็นผู้ดูผู้ทําการคือใครคือรูปนามขันห้าที่มันทําการไม่เที่ยงทําการเป็นทุกข์ทาการไม่ใช่ตัวตนให้เราดูรูปนามขันห้าเป็นผู้แสดงสติเป็นผู้ดูการแสดงสบายเลย ถ้าดูไม่เป็นเนี่ยมันเข้าไปเล่นเข้าไปแสดงเป็นผู้กำกับเหนื่อยเนี่ยเข้าไปทำกาแลไปแทรกแปลเป็นผู้ดูเนี่ยมันสบายนั่งดูนอนดูหลับแล้วก็แล้วกันตื่นมาดูต่อยสบายเลยดูบ่อ ย, อยเห็นบ่อ ย, อยจเจริญ บ, บ่อยเนี่ยสติมันพาวปัญญาทำให้เกิดปัญญาเห็นกายเห็นจิตตาที่มันเป็นเนี่ยมันก็จะปล่อยวางนะ อ้เขาถึงการปล่อยวางเลยไม่ยึดติดละมันเบื่อแล้เบื่อหน่ายในทุกข์แล้วยึดติดที่อไรทุกๆุกทีถ้าปล่อยวางก็มันสบายเนลยแล้วมันเลยเกิดความสนุกสนุกดูสนุกรู้สนุกเห็นสนุกดูกิเลสสนุกเห็นกิเลสสนุกปล่อยวางกิเลสสนุกปล่อยสนุกวางสนุกเลยนอกจากง่ายแล้วแถมสนุกด้วยสบายเลยเริ่มต้นโดยการมีสติลงท้าย้วยการปล่อยวาง มันง่ายที่จะเริ่มต้นในการมีสติลงท้ายด้วยการปล่อยวางการปฏิบัติทั้งหมดเนี่ยมันต้องปล่อยวางทั้งนั้นน่ะมันนอาไม่ได้มีสติรู้กายฝึกไว้เลยนะรู้กายเคลื่อนไหวรู้อะไรปล่อ ย, อยตัวนั้นรู้กายก็ฝึกที่จะวางกายไม่ใช่เราเป็นรูปกายเห็นจิตมันคิดมันนึกฝึกที่จะปล่อยวางมันความคิดไม่ใช่เราเป็นเรื่องของนามธรรมาก็ปล่อยวาง ฝึกรู้ฝึกปล่อยปล่อยในสิ่งที่เรารู้รู้ปล่อยรู้วางรู้ทิงท้งทิ้ ง, รงกระทั่งผู้รู้เอ่าทิ้งกระทั่งผู้รู้นี่มันจะไม่เหลืออะไรนะในทางโลกนี่บอกก็ไม่เหลืออะไรนี่มันล่มละลายแต่ในทางธรรมนี่ชอบไม่เหลืออะไรนี่มันไม่ต้องมีตัวตนมาเกิดในวตาสงสารไม่ต้องเกิดเราพบน้อยพบใหญ่เลยมันไม่เหลืออะไรไม่เหลือตัวกระทั่งผู้เกิดก็เห็นไหม ในทางโลกเนี่ยเขาพูดว่าขอให้เธออย่าได้ไปพูดไปเกิดเลยโอ้เป็นคำพูดที่อับะมงคลมากแต่ในทางธรรมเนี่ยสาธุสมพรปากฉันจะได้ไม่ต้องเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายแล้วทิงไม่ต้องผูดไม่ต้องเกิดดีหมายถึงนิพพานแล้วนะนิพพานไม่มีตัวตนเข้ามาเกิดนะในทางโลกไม่ได้อับะมงคลในทางธรรมเนี่ยดีสาธุสมพรปากแต่ขอยเป็นกันจริงจริงรับได้ไหม ในทางโลกบอกว่าหมดเนื้อหมดตัวโอ้โหลมละลายเลยในทางธรรมนี่ดีสิจะได้ไม่มีตัวเพราะการปฏิบัติเป็นไปเมื่อความปล่อยวางตัวตนเพ ร, ะพระาะไม่ยังเพราะจะปล่อยวางก็ยังนี่ยังเสด็จไดอะไรอยู่ปล่อยวางกายปล่อยวางใจป่อยวางแม้ทั้งจิตผู้รู้เองก็เอาไม่ได้เพราะสิ่งเนี้ยมันเป็นสิ่งปรุงแต่งเกิดดับทั้งนั้นมันก็จะไม่เหลืออะไรเอ็งจิตวิเคราอิสระฝึกรู้ฝึกปล่อยฝึกวางไว้บ้าง แต่ถ้าตอนนี้ยังปล่อยวางไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรหรอกฝึกรู้สึกตัวแล้วปล่อยวางไปเรื่อยเลีแล้วต่อไปข้างหน้าก็ปล่อยวางได้เองฝึกไว้อย่าอ่อนซ้อมอ่อนซ้อมแนละ้วก็จะอ่อนแอผลการปฏิบัติเนี่ยเราอย่าไปคิดว่าเราจะได้อะไรจากการปฏิบัติให้เรานึกซื้อว่าเราจะปล่อยวางอะไรได้บ้างอย่าคิดว่าเราได้อะไรจากการปฏิบัติถ้าได้นี่หมายถึงจะเอานะมันก็จะเป็นตันหา ว้อเราปล่อยวางอะไรได้บ้างเนี่ยมันเป็นปัญญาผลสุดท้ายก็ต้องปล่อยวางทั้งนั้นอย่า ก, กลัวอย่าเสศได้บางคนบอกว่าปฏิบัติทําได้อะไรปฏิบัติธรมเนี่ยมันไม่ใช่ได้นะมีแต่การปล่อยการวางเห็นไหก่อนที่จะบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ท่านบอกว่าหลุดพ้นว่าจิตไม่ถือมั่นก็คือหลุดน่ะถ้าจะได้เนี่ยมันไม่หลุดยิ่งได้ยิ่งเพิ่มยิ่งเกาะยิ่งกลุม ถ้าปล่อยวางเนี่ยมันไม่หลุดมันไม่ติดละมันมีแต่หลุดหลุดหลุดก็มีเจตีํามใครถามว่าอ๋อเวลาปฏิบัติเนี่ยบางทีมันก็มีกายบางทีมันก็มีความคิดมีเสียงมีอารมณ์มากมายจะดูอะไรดีก็ดูอะไรก็ได้ถ้าเราจะดูหรืออารมณ์ไหนมันเด่นก็ดูอันนั้นจิตเด่นก็ดูกายเด่นก็ดูมันเป็นเรื่องของการที่ให้เราดูทั้งนั้นถ้ามันมั่ว น, นะก็เอามาเคลื่อนไหวหดูกายก่อนตั้งหลักไปก่อน ทำไปมเห็นมีความสุขเลยเห็นความสุขความสุขมันดับเห็นเรามีความสุขเลยการปฏิบัติธรรมไม่ใช่เพื่อความสุขนะปฏิบัติเพื่ออยู่เหนือสุขความสุขในภาพของเราคือต้องสุขสนานตื่นเต้นร้าใจแต่เหนือสุขนี่มันเป็นอิสระมันไม่มีคำพูดไม่มีความหมายมีแต่ความรู้สึกเป็นสภาวะอิสระสบายความสนุกมันเป็นภาพของเรา แต่ความสบายเนี่ยเป็นเป็นสภาวะเห็นไมความสนุกกับความสบายที่ต่างกันนะสนุกนี่มันยังทุกข์นะมันมีความเหน็ดเหนื่อยกังวลกระวายในจิตใจแต่ความสบายเนี่มันไม่ต้องไ ป, ไปเป็นแบบนั้นจิตก็เป็นปกติสุขภาพจิตดีอิสระมันก็ผ่อนคลายก็อย่าท้อแท้ในการฟังธรรมอย่าท้อแท้ในการปฏิบัติการจิสติคือการปฏิบัติธรรม การปฏิบัติธรรมคือการละความชั่วทำความดีการปฏิบัติธรรมคือการสร้างบุญสร้างกุศลอย่าท้อในการทำความดีอย่าท้อในการสร้างกุศลเพราะสิ่งเหล่านี้ใครทำให้กับกเราไม่ได้เราก็ทำให้กับใครไม่ได้ใครทำใครได้แล้วก็ไม่ใช่เรื่องของใครมันเป็นเรื่องความพ้นทุกข์ของเราตนนี